วินัยในความหมายที่กว้างใหญ่เลยจากศีลเท่าที่กล่าวมานั้นแสดงความหมายของวินัยในขอบเขตที่ศีลคลุมมาถึงได้หรือที่ยังเนื่องโดยตรงกับศีลแต่ที่จริงวินัยมีความหมายกว้างขวางมากถ้าศึกษาให้เข้าใจจะช่วยให้มองเห็นแนวคิดและระบบของพระพุทธศาสนาชัดเจนขึ้น ความหมายพื้นฐานของวินัยมี2 อ, อย่างความหมายอย่างที่1การฝึกให้มีความประพฤติและความเป็นอยู่เป็นระเบียบแบบแผนหรือการบังคับควบคุมตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนรวมทั้งการใช้ระเบียบแบบแผนต่างๆเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชน ความหมายพื้นฐานของวินัยอย่างที่สองระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่วางลงไว้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ฝึกคนหรือใช้บังคับควบคุมตนตลอดจนเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชนให้เรียบร้อยดีงามในความหมายหลักสองในายานี้ มองลึกลงไปมีความหมายแฝงและแยกแยกออกไปได้เป็น5้าอย่างคือ 1. การฝึกตนและสอนคนให้ฝึกตนที่จะประพฤติปฏิบัติให้ดีงามถูกต้องเป็นระเบียบมีแบบแผนเพื่อจะได้มีความเจริญงอกงามพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆอย่างได้ผลดีนี่คือการศึกษา สการดูแลบังคับควบคุมคนให้ประพฤติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและใช้ระเบียบแบบแผนเป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติความเป็นอยู่ของคนและกิจการของหมู่ชนนี่คือการปกครอง 3. การบัญญัติจัดตั้งวางตราระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่จะใช้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐานสําหรับใช้ฝึกหรือบังคับควบคุมคนดังที่กล่าวมา น, นั้นนี่คือนิติปัญญาบรญชตัวระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่วางไว้เป็นหลักหรือเป็นมาตรฐานสําหรับใช้ฝึกหรือบังคับควบคุมคน ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วนั้นนี่คือนิติบัญญัติหาการวินิจฉัยตัดสินกรณีพิพาอทอธิคดีให้ยุติตามระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ต่างๆที่วางเป็นหลักไว้นั้นเพื่อคงความถูกต้องเป็นธรรมและความเรียบร้อยสงบสุขนี่คือวินิจฉัยกรหรือคำไทยว่า ตุลาการในแง่วิวัฒนาการของสังคมมองตามพุทธมติว่าสถาบันตามความหมายข้างบนนี้เกิดมีขึ้นตามความจำเป็นให้ต้องการของสังคมมนุษย์คือเมื่อคนมาอยู่รวมกันมากขึ้นและต่างก็สแสวงหาปัจจัยสี่และวัตถุเสพเกิดการทะเลาะวิวาทขัดแย้งแย่งชิงกันทำให้ต้องมีผู้ระ ง, งับกรณีพิพาท และมีการปกครองขึ้นวิวัฒนาการของสังคมทํานองนี้พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในอักคัญยสูตรซึ่งในหนังสือนี้ได้กล่าวโยงไว้กับหลักปฏิจจสมุปบาทในตอนว่าด้วยปัจจัยาการทางสังคมในบทที่สผู้ปกครองจะให้ผู้ใต้ปกครองอยู่กันด้วยดีก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกา ที่จะเป็นข้อยึดถือยุติและเป็นเครื่องจัดระเบียบสําหรับบังคับควบคุมจึงเกิดมีการบัญญัติกฎระเบียบก็ตั้งเป็นข้อบังคับหรือกฎหมายขึ้นเกิดมีเป็นนิติบัญญตัติและเมื่อมีกรณีพิพาทก็ตัดสินวินิจฉัยโทษมีการลงโทษทั้งนี้การบัญญัติกฎระเบียบตลอดจนตัดสินวินิจฉัยกรณีพิพาทนั้นเดิมเป็นกิจของผู้ปกครองเอง ต่อมาสังคมเจริญเติบโตมากขึ้นซับซ้อนขึ้นมีการวางระบบจัดกระบวนวิธีและขั้นตอนต่างๆขึ้นเกิดเป็นสถาบันเป็นองค์กรขึ้นมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการแยกออกจากฝ่ายบริหารเพื่อสนองงานต่างหากออกไปแม้ระบบศาลกระบวนการยุติธรรมก็เป็นความหมายหนึ่งของวินัยนั้นด้วย อย่างไรก็ตามที่พูดถึงวิวัฒนาการของสังคมเพื่อให้เห็นความหมายของวินัยในแง่การปกครองนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญข้อที่ต้องการพูดในที่นี้คือจะชี้ถึงการเปลี่ยนจุดเน้นแห่งความหมายของวินัยนั้นจะเห็นว่าตามวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์นั้นเพราะความจำเป็นในการอยู่ร่วมกันจึงต้องมีการปกครองเกิดขึ้น โดยมาพร้อมด้วยการใช้อำนาจตัดสินกรณีพิพาทและการวางข้อกำหนดกติกาที่เป็นเครื่องยุติในการปกครองรวมทั้งการตัดสินวินิจฉัยอาถรรคดีนั้นแต่บนฐานของความต้องการโดยจำเป็นของสังคมนั้นวินัยเครื่องชีนนำของการปกครองอย่างที่ว่านี้มุ่งหมายเพียงแค่ให้คนอยู่ร่วมกันได้เรียบร้อยดีไม่เบียดเบียนกันนักประพฤติดีมีศีลธรรม ตั้งนาตั้งตาประกอบกิจอาชีพการงานให้ดำเนินไปให้สังคมมั่นคงมั่งคั่งเจริญภัยบณ์ถ้าได้ผู้ปกครองที่ดีชาวประชามั่นใจในความมีธรรมเป็นธรรมและชอบธรรมก็เรียกว่าได้ผู้ปกครองที่เป็นจักภัทธรรมราชาในระบบสังคมที่ว่านี้แม้จะมีสิ่งที่เรียกว่าการศึกษา ก็เป็นเพียงการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในศิลป์นในศาสตร์ที่จะใช้ประกอบกิจการงานอาชีพให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเพื่อสนองความต้องการโดยจำเป็นของสังคมอย่างที่ว่านั้นการที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมีความหมายสำคัญตรงที่ทำให้วินยัยคือการชี้นำจัดการกับมนุษย์นี้เปลี่ยนพลิกไปพูดไม่ให้ยาวนักว่า การจัดการกับมนุษย์ที่สืบเนื่องจากความจำเป็นทางสังคมเพื่อให้เขาอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีโดยมีการปกครองเป็นหลักเป็นแกนนี้เป็นการจัดการกับมนุษย์ด้วยวิธีการทางสังคมจากภายนอกบีบเข้ามาให้จำต้องทำไม่เพียงพอและไม่ดีจริงกวนก้าวต่อไปสู่การจัดการที่ตัวมนุษย์เองโดยตรงโดยมองเห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ เปลี่ยนจากร้ายให้เป็นดีจากหยาบร้ายให้กลายเป็นนุ่มนวลปราณีตมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพสูงสุดทั้งด้านความประพฤติดีงามในความสัมพันธ์ปฏิบัติต่อคนต่อของทั้งด้านภายในทางจิตใจที่จะให้เข้มแข็งมีคุณธรรมมีความสุขและด้านปัญญาที่จะให้เฉลียวฉลาดสามารถสร้างสารรค์แก้ปัญหาจนแม้เข้าถึงสัจธรรมได้ มนุษย์นี่แหละเป็นตัวทำการสังคมมนุษย์เป็นโลกแห่งกรรมเกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็นไปตามเจตจำนงในการกระทำของเขาจึงต้องจัดการที่ตัวมนุษย์นี้โดยให้เขาพัฒนาตนขึ้นไปวินัยคือการชี้นำจัดการกับมนุษย์ที่ตัวมนุษย์นี้เป็นการชี้นำให้มนุษย์จัดการกับตัวเขาเอง ด้วยการพัฒนาศีลจิตใจและปัญญาขึ้นไปโดยผู้ชี้นำเป็นกา ร, ระยะนานมิตรให้และนี่เองคือพระพุทธศาสนาถึงตอนนี้คือในพระพุทธศาสนานี้วินัยจึงกลายเป็นการชี้นำจัด ก, การมนุษย์ในความหมายของการศึกษาและจากนั้น เพื่อให้การศึกษาดาเนินไปได้และก้าวไปดีวินัยในความหมายของการปกครองการวางกฎระเบียบข้อฝึกข้อปฏิบัติตลอดจนกระบวนการที่นิยมเรียกว่ายุติธรรมทั้งหมดซึ่งรวมอยู่ในการระงับอาธิกรก็พรั่งพร้อมเข้ามาเป็นเครื่องมือของการศึกษานั้นโดยในย่านนี้วินัยจึงมีความหมายเป็นการศึกษาหรือระบบการจัด ก, การมนุษย์ โดยมีการศึกษาเป็นหลักเป็นแกนแวดล้อมโดยวินัยแห่งการปกครองแห่งวินัยบัญญัติและแห่งวินัยวินิจฉัยที่ได้กล่าวแล้วเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นการปกครองโดยไม่ต้องใช้อาชญาและข้อบัญญัติทั้งหลายมิใช่เป็นข้อบังคับแต่เป็นสิกขาบทคือข้อฝึกข้อศึกษา เมื่อได้ทําความเข้าใจในหลักทั่วไปดังนี้แล้วก็ขอย้อนมาพูดถึงความหมายของคาว่าวินัยเป็นการสาทับความอีกครั้งหนึ่งราวนี้ขอกล่าวถึงความหมายโดยพยัญชนะคําว่าวินัยมีความหมายตามรูปศัพที่แปลกันสืบมาว่าการนำไปให้วิเศษแาลเป็นไทยให้สมสมัยก็คือการชี้นำอย่างวิเศษ และการจัดการให้ดีนั่นเองโดยเฉพาะจัดการบุคคลให้เจริญดีงามเป็นคนที่สมบูรณ์หมดทุกหมดปัญหาจัดการสังคมคือคนที่มารวมกันอยู่ให้สงบสุขเรียบร้อยมั่นคงจัดการเรื่องราวให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปด้วยดีวินัยนี้ในรูปคุณศัพ ที่เป็นวินีตรในวงเล็บวินิตรเป็นคำกิริยาช่องสามมีใช้บ่อยโดยมากใช้กับบุคคลหรือหมู่ชนแปล ว, ว่าอันนำไปให้วิเศษแล้วหมายความว่าปึกดีมีการศึกษาแล้วนั่นเองถ้าเป็นเรื่องราวอย่างนี้คำว่า วินิตะวัตถุก็คือเป็นเรื่องราวหรือกรณีที่ได้ดำเนินการตัดสินวินิจฉัยให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปด้วยดีแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์จะยังไม่แปลดินิพานจนกว่าบรรดาสาวกทั้งสี่บริษัทจะเป็นผู้วินิตะคือมีการศึกษาดีแล้ว อัธกธกราหลายแห่งก็อธิบายว่าวินัยได้แก่สิกขาสามคือตรายสิกขาการศึกษาครบสามด้านซึ่งมีพุทธพจน์จากทีฆานิกายมหาวัชดังนี้เนี่ยมารเจ้าบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบใดที่ภิกษุสาวกทั้งหลายของเรายังไม่เป็นผู้เฉียบแหลมยังไม่ได้ศึกษาดีไม่เป็นพหูสูตร ไม่แกล้วกล้าไม่ทรงธรรมยังไม่ปฏิบัติธรรมถูกหลักอัตกถาหลายแห่งอธิบายว่าชื่อว่าธรรมคือธรรมะโดยความหมายว่าเป็นสภาวะชื่อว่าวินยัยโดยความหมายว่าอันพึงศึกษาส่วนในคำพีสารัตทีปนีประบุว่าวินัย คือตรายสิกขาอีกแห่งหนึ่งจากมชทิมานิกาดีการะบุว่าที่ไม่เป็นวินิตะคือไม่ได้ศึกษาด้วยอธิศิลและสิกขาเป็นต้นทั้งนี้ความหมายของวินัยจะชัดแจ้งสมบูรณ์ต่อเมื่อสัมพันธ์เชื่อมต่อกับความหมายของธรรมหรือธรรมะ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 และสามารถแผ่ยขยายกว้างขวางออกไปในสังคมมนุษย์พูดอีกอย่างหนึ่งว่าวินัยคือเครื่องมือของธรรมะสำหรับจัดสรรสังคมหรือชุมชนให้เป็นไปตามหลักการและความมุ่งหมายของธรรมะหรือเป็นเครื่องมือสำหรับจัดระบบแห่งวิถีชีวิตอันประเสริฐให้เกิดมีเป็นจริงขึ้น ธรรมะมุ่งเนื้อหาเน้นที่บุคคลวินัยมุ่งรูปแบบเน้นที่ระบบถ้าหลงลืมความหมายที่ลึกซึ้งของวินัยไม่นำเอาเจตนารมณ์ทางสังคมของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในวินัยมาใช้ปฏิบัติไม่นำเอาสาระถาของวินัยออกมาจัดดำเนินการในด้านวิธีการ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 เขตุกาแห่งการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาหรือวงการดำเนินชีวิตแบบพุทธจะรัดตัวแคบเข้าและจะเป็นแต่ฝ่ายรับไม่ได้เป็นฝ่ายลุกเลยทำให้ชุมชนพุทธถอยร่นห่างออกไปจากสังคมมนุษย์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนหนีไปรวมกันอยู่บนเกาะที่ถูกน้ำล้อมรอบขาดจากชาวมนุษย์อื่นอีกประการหนึ่งสภาพแวดล้อมต่าง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 ต้ได้บวชเรียนเป็นคนสุก่อนนับเป็นตัวอย่างง่ายๆของการสร้างวินยัยคือระบบชีวิตและระเบียบสังคมแบบพุทธของสังคมไทยในอดีตซึ่งได้ช่วยให้วงการดําเนินชีวิตแบบพุทธและพระพุท ธ, ธศาสนาเองได้เจริญมั่นคงแพร่หลายไปนในสังคมไทยเป็นอย่างมากความเสื่อมลงของระบบชีวิตหรือวินัยส่วนนี้ได้มีผลกระทบต่อพระพุท ธ, ธศาสนา ในทางที่ไม่น่าพอใจอย่างไรคงจะเป็นเรื่องที่มองเห็นได้ไม่ยากประเพณีนี้เหมาะสมหรือไม่มีแง่เสียหรือบกพร่องอย่างไรไม่เป็นข้อที่จะวิจาร์ในที่นี้ถ้าไม่เข้าใจสาราถาของวินัยและเจตนารมณ์ของศีลในทางสังคมไม่แต่เพียงเจตนารมณ์นั้นจะไม่ขยายกว้างออกไป สู่การปฏิบัติในสังคมพุทธป่ายเครือข่าทั่วไปด้วยเท่านั้นแม้แต่เจตนารมณ์ส่วนที่มีอยู่แล้วในวินัยของสงฆ์เองก็จะเลืนรางหดเหลืออยู่เพียงในสภาพของพิธีกรรมด้วยเหตุนี้หากจะฟื้นฟูการปฏิบัติวินยัยการเน้นแต่เพียงความเคร่งรัดด้านรูปแบบอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอภารกิจสําคัญ